สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในหัวเรื่องตามที่เราเคยได้ฟังกันมานะครับสิบหกครั้งด้วยกันในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่สิบเจ็ดนะครับในหัวข้อเรื่องจอห์นเดอแบปติสต์ตอนสุดท้ายครับตอนที่เจ็ดในวันนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับพี่น้องครับผมขอทบทวนใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับ คนที่มาฟังพระเยซูก็คือสาวกของพระองค์คนที่มาฟังยอนเดอะแบปติสนั้นก็จะเป็นประชาชนทั้งหลายและเรารู้นะครับว่าในบรรดาประชาชนทั้งหลายนั้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือพวกปาริสีและพวกเซรุสีครับคนพวกนี้เป็นผู้นําศาสนาคนกลุ่มต่อไปก็คือพวกประชาชนประชาชนถามยอนว่าเราทําไงดีถึงจะได้เออ่เป็นการกลับใจใหม่ยอนบอกว่า ถ้าคุณมีเสื้อสองตัวคุณก็ให้กับคนที่ไม่มีเสื้อถ้าคุณมีอาหารคุณก็ให้อาหารนั่นคือผลแห่งการกับใจใหม่ครับต่อไปครับคนเก็บภาษีก็สอนยอนก็สอนว่าก็อย่าเก็บภาษีเกินพิกัดครับทีนี้ครับนี่คือผลแห่งการกับใจใหม่ทหารก็เช่นเดียวกันครับถามยอนว่าทํายังไงยอนก็ตอบเขาบอกว่าอย่ากันโชคทรัพย์อย่าใส่ความเพื่อเอาเงิน จงพอใจในค่าจ้างของตนอันนี้คือผลของการกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับลูการครับบันทึกว่าคนทั้งหลายที่มาฟังยอนเดบะแบทิสต์นะครับสงสัยว่ายอนเป็นมฤตยหรือเปล่ายอนตอบด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราอ่านมาแล้วนะครับบอกว่าเราให้เจ้าหลายรับบระทาด้วยน้ําแต่จะมีคนหนึ่งครับมีผู้หนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าซึ่งจะให้รับบัพสมาด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และด้วยไข่และผู้นั้น คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราเรียนรู้นะครับว่าคนประเภทต่างๆที่เข้ามาหายอนกับแบปติสต์เพื่อฟังยอนเทศนาไม่ว่าจะเป็นพวกปูโรหิตคนเลวีซะดูสีฟาริสีนะครับคนเก็บภาษีทหารประชาชนยอนนั้นมีแมสเซจเดียวมีข่าวสารเดียวครับคือกลับใจใหม่และสแสดงออกโดยการเลยครับโดยการบกติศมา ในการบัพติศมานะครับคือการเป็นพยานด้วยการกระทำนะครับด้วยการกระทาแสดงว่าเขานั้นตั้งใจที่จะเป็นคนใหม่เขาสํานึกกับใจหันจากสิ่งชั่วร้ายและความชั่วทั้งหลายหันจากความผิดบาปที่เขาเคยทำมาเพราะฉะนั้นการบัพติศมานั้นเป็นพยานครับถึงการกลับใจใหม่แต่หลังจากการบัพติศมาแล้วพวกเขานั้นจะต้องสแสดงผล หรือบังเกิดผลซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลับใจใหม่แล้วผลต่างๆนั่นก็คือความเอื้อเฟือ้อการเสื่อแพ่ความชื่อตรงความรักความอ่อนโยนการแบ่งปันสิ่งของและอาหารให้กับกันและกันพี่คองครับอันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> เป็นผลของการบัพสมารหรือผลของการกลับใจใหม่พวกเราทั้งหลายทุกคนก็เช่นเดียวกันครับหากว่าเราบอกว่าเรากลับใจใหม่แล้วมันจะต้องสแสดงออกในบางสิ่งบางอย่างนะครับในด้านต่างๆในชีวิตของเรา แต่วันนี้นะครับในเช้าวันนี้เป็นเป็นช่วงสุดท้ายของยอนหรือแบปติสตนะครับพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอนบทที่สามนะครับข้อที่ยี่สิบสองโปรดฟังข้จนะของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์ทรงประทับที่นั่นกับเขาและทรงให้บับติศมายอนก็ให้บับติสมาอยู่ที่ไอโนนใกล้หมู่บ้านสาลิม เพรที่นั่นมีน้ํามากแต่ผู้คนก็พากันมารับติบสมาเพราะยอนยังไม่ติดคุกก็ยี่สิบห้าครับเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอนและยิวเรื่องการชาระมนตินสาววกของยอนจึงไปหายอนและพูดว่าอาจารย์เจ้าค่ะท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ําจอแดนข้างกะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่ท่านผู้นําท่านผู้นั้นให้บัพติสมาและผู้คนต่างก็พากันไปหาท่าน ย้อนตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้ามิใช่พระพริตแต่ข้าพเจ้าได้รับพระสัญญาได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าเ่าวสหายของเจ้าเ่าวที่ยืนฟังเจ้าเ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าเ่า ฉะนั้นความไิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าต้องด้อยลงนี่เป็นถ่อยคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากครับในข้อที่สามสิบย h e ์นเดอะ t กล่าวอย่างนี้นะครับว่ า, วา he must become more important while I become less important พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าต้องด้อยลง พี ene, ่น <Is> ้องครับที่นี่มีคําถามหลายหลยคนนะครับก็อาจจะถามเช่นเดียวกันกับผมว่าเอ๊ะพระเยซูพระเยซูเป็นผู้รับบัพติศมาจากยอหนถามว่าพระเยซูได้ให้บัพติศมาคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับที่นี่ครับชัดเจนมากครับว่าพระเยซูเหมือนกับว่าพระเยซูให้บัพติศมาคนอื่นๆด้วยนะครับเหมือนกับว่าพระเยซูให้บัพติศมาคนอื่นด้วย แต่ถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าในพระเจ้าของพระเจ้านะครับได้บอกในข้อที่บทที่สี่ครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บาปิศมามากกว่ายอนข้อที่สองครับยอนได้บันทึกไว้ในวงเล็บนะครับความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บาปิศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้ เพราะฉะนั้นในบทที่สี่นะครับย้อนยืนยันว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บาปสมาเองนะครับแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้ความหมายก็คือเป็นผู้ให้นะครับภายใต้การมอบอํานาจของพระเยซูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าพระเยซูเคยให้บาิศมาใครหรือเปล่านะครับในตามตัวอักษรอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูยังไม่ได้เคยให้บาปสมาใครเลย แต่พระเยซูให้สาวกนั้นหรือมอบอำนาจให้สาวกนั้นมีอำนาจในการบัพติศมาคนอื่นๆต่อไปในนามของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเคลียร์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญนะครับในข้อนี้ก็คือว่าคําว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องด้อยลงนั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากครับนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าจําเป็นจะต้องสํานึก และเก็บไว้ในใจเสมอนั่นคือความถ่อมใจครับการที่หลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าในการดาเนินชีวิตพระเจ้าได้ทรงยกชูขึ้นเรายกชูเราขึ้นสูงนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับเราก็ต้องไม่ลืมยกชูพระเยซูให้เหนือเราพี่น้องครับอาจารย์ท่านยอน n the แบ p ติ s t นะครับท่านบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับข้าพเจ้าต้องด้อยลงใครก็ตามครับที่ยกตัวเองขึ้น นะครับผิดผิดครับเขาจะถูกกดลงแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรายกพระเยซูขึ้นนั่นแหละครับเราได้ทําตามนามาไทของพระเจ้าแล้วจงถวายเสียรตแ่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนจงถวายเสียตแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของตนขอให้ชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับยอนนะครับที่เราจะพูดในที่ฉุดว่าพระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและขพระเจ้าจะต้องด้อยลง ความสำคัญไม่อยู่ที่ข้าพเจ้าความสาคัญอยู่ที่พระเจ้าคนที่เด่นไม่ได้เป็นข้าพเจ้าคนที่เด่นนั้นเป็นพระเจ้าของเราข้าพระเจ้ า, เาอเยพรและสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านขอให้ยอนนะครับเดบับบิสทั้งเจดตอนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิมยานของพวกเราทั้งหลายทุกคนอเมน